ภิกษุทั้งหลายในวาทะเหล่านั้นสมณะพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งซึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า อตาและโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงละถึงอัตาและโลกทั้งเที่ยงและไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตาและโลกเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตาและโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตาและโลกไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตาและโลก ทั้งมีที่สุดและไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตาและโลกมีที่สุดก็มิใช่ไม่มีที่สุดก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตาและโลกมีสัญญาอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตาและโลกมีสัญญาต่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอาตาและโลกมีสัญญาเล็กน้อย นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอาตาและโลกมีสัญญาหาประมาณมิได้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอาตาและโลกมีสุขอย่างเดียวนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอาตาและโลกมีทุกอย่างเดียวนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอาตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งซึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตาและโลกมีทุกข์ก็มิใช่มีสุขก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเป็นไปไม่ได้ที่ยานเฉพาะตนอันบริสุทธิ์ผุดพองซึ่งเป็นธรรมอื่นจากความเชื่ออื่นจากความชอบใจอื่นจากการฟังตามกันมาอื่นจากการตรึกตามอาการ อื่นจากการเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้จักมีแก่สมณพราหมณ์เหล่านั้นได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่มีญาณเฉพาะตนอันบริสุทธิ์ผุดผ่องสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยึดถือเพียงส่วนแห่งความรู้เท่านั้นในเรื่องนั้นแม้ส่วนแห่งความรู้นั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นอุปท า, านของสมณพราหมณ์เหล่านั้นสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบ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 วาทะของพระพุทธองค์ภิกษุทั้งหลายเพราะกามสังโยตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันศนย์อดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันศีลอนาคตได้สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้จึงเข้าถึงปิติอันเกิดจากวิเวกอยู่ด้วยสำคัญว่าการที่เราเข้าถึงปิติอันเกิดจากวิเวกอยู่นี่แล สงบปราณีตปีติอันเกิดจากวิเวกนั้นของเธอย่อมดับไปเพราะปีติอันเกิดจากวิเวกดับไปโทมนัสจึงเกิดขึ้นเพราะโทมนัสดับไปปีติอันเกิดจากวิเวกจึงเกิดขึ้นเงาละที่ใดไปแดดก็แผ่ไปถึงที่นั้นแดดละที่ใดไปเงาก็ปกคลุมไปถึงที่นั้นแม้ฉันใดเพราะปีติอันเกิดจากวิเวกดับไป โทมนั์จึงเกิดขึ้นเพราะโทมนต์ดับไปปิติอันเกิดจากวิเวกจึงเกิดขึ้นฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฐินี้นั้นเป็นอย่างดีเพราะการมาสังโยชตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฐิอันคล้อยตามขันสวนอดีตและเพราะสละคืนทิฐิอันคล้อยตามขันศูนอนาคตได้ สมณะหรือพรามนี้จึงเข้าถึงปิติอันเกิดจากวิเวกอยู่ด้วยสำคัญว่าการที่เราเข้าถึงปิติอันเกิดจากวิเวกอยู่นี่แหลสงบปราณีตปิติอันเกิดจากวิเวกนั้นของเธอย่อมดับไปเพราะปิติอันเกิดจากวิเวกดับไปโทมนั์จึงเกิดขึ้นเพราะโทมานต์ดับไปปิติอันเกิดจากวิเวกจึงเกิดขึ้น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 ทิสุทั้งหลายเพราะการมาสังโยนตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันสวนอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันสวนอนาคตเพราะก้าวล่วงปิติอันเกิดจากวิเวกได้สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้จึงเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิ t อยู่ด้วยสำคัญว่าการที่เราเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิ t อยู่นีแลสงบประณีต สุขอันปราศจากอามิ t h นั้นของเธอย่อมดับไปเพราะสุขอันปราศจากอา mith ด, ดับไปปีติอันเกิดจากวิเวกจึงเกิดขึ้นเพราะปีติอันเกิดจากวิเวกดับไปสุขอันปราศจากอา mith จึงเกิดขึ้นเงาละที่ใดไปแดดก็แผ่ไปถึงที่นั้นแดดละที่ใดไปเงาก็ปกคลุมไปถึงที่นั้นแม้ฉันใด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 และเพราะสละเพืินทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอนาคตเพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดจากวิเวกได้สมณะหรือพรามนี้จึงเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิ t h อยู่ด้วยสำคัญว่าการที่เราเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิ t h อยู่นี่แหลสงบปราณีตสุขอันปราศจากอามิ t นั้นของเธอย่อมดับไปเพราะสุขอันปราศจากอามิ t ด, ดับไปปีติอันเกิดจากวิเวกจึงเกิดขึ้น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 ภิกษุทั้งหลายเพราะการมสังโยชตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันศวนอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันศ่วนาคตเพราะก้าวล่วงปิติอันเกิดจากวิเวก เพราะก้าวล่วงสุขอันปราศจากอามิ t h ได้สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้จึงเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาอยู่ด้วยสําคัญว่าการที่เราเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาอยู่นี้แหลสงบประณีตอทุกขมสุขเวทนานั้นของเธอย่อมดับไปเพราะอทุกขมสุขเวทนาดับไปสุขอันปราศจากอามิ t h จึงเกิดขึ้นเพราะสุขอันปราศจากอามิ t h ดับไป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 ตาถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีเพราะการมสังโยน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละเคลินทิฏฐิอันคล้อยตามขันโศนอดีตและเพราะสละเคลินทิฏฐิอันคล้อยตามขันโศนอนาคตได้เพราะก้าวลวกปิติอันเกิดจากวิเวเพราะก้าว่วกสุขอันปราศจากอามิ t h ได้สมณะหรือพราหมณ์นี้จึงเข้าถึงอทุคมสุขเวทนาอยู่ด้วยสำคัญว่า การที่เราเข้าถึงอทุกคมสุขเวทนาอยู่นี่แหลสงบปราณีตอทุกคมสุขเวทนานั้นของเธอย่อมดับไปเพราะอทุกคมสุขเวทนาดับไปสุขอันปราศจากอาม i t h จึงเกิดขึ้นเพราะสุขอันปราศจากอาม i t h ดับไปอทุกคมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่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 เพราะการมาสังโยชต์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันโศนอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันโศนอนาคตเพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดจากวิเวกเพราะก้าวล่วงสุขอันปราศ จ, จากอามิ t h เพราะก้าล่วงอทุกขมสุขเวทนาได้สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้จึงพิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้สงบระงับเป็นผู้ดับ เป็นผู้ไม่มีอุปาทานภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีเพราะการมสังโยตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันศุลปอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันศนอนาคตเพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดจากวิเวกเพราะก้าวล่วงสุขอันปราศจากอาม i t เพราะก้าว่วงอทุกขมสุขเวทนาได้ สมณะหรือพราหมณ์นี้จึงพิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้สงบประงับเป็นผู้ดับเป็นผู้ไม่มีอุปาทานนี้แหลท่านผู้นี้ย่อมกล่าวยืนยันปฏิปทาที่เอื้ออํานวยให้ถึงนิพพานอย่างเดียวโดยแท้แต่สมณะหรือพราหมณ์นี้เมื่อยังถือมั่นทิฐิอันคล้อยตามขันส่วนอดีตก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นทิฐิอันคล้อยตามขันสวนอนาคต ก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นกามาสังโยชน์ก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นปีติอันเกิดจากวิเวกก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นสุขอันปราศจากอามิตรก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่หรือเมื่อถือมั่นอทุคมำสุขเวทนาก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่แม้ข้อที่ท่านผู้นี้พิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้สงบระงับ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 ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็สันติวรบทบทอันประเสริฐสงบไม่มีบทอื่นยิ่งกว่าที่ตทถทาคตรู้แล้วนี้คือความรู้เหตุเกิดเหตุดับคุณโทษ และอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากภสษายตนะหกตามความเป็นจริงแล้วจึงหลุดพ้นได้เพราะไม่ถือมัน่นสันติวรบทที่ตถาคตรู้แล้วนี้นั้นคือความรู้เหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากภสษายตนะหกตามความเป็นจริงแล้วจึงหลุดพ้นได้เพราะไม่ถือมัน่นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิดนี้แล้ว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 พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายมีความคิดอย่างไรในเราบ้างหรือว่าพ ร, โโรร พ, รพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งจีวรพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งบินทบาทพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งเสนาสนะหรือพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งพบน้อยและพบใหญ่ด้วยอาการอย่างนี้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 เธอทั้งหลายมีความคิดอย่างไรในเราเล่าข้าพระองค์ทั้งหลายมีความคิดในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีความเอ็นดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความอนุเคราะห์จึงทรงสแสดงธรรมพระพุทธเจ้าขา้าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเธอทั้งหลายมีความคิดอย่างนี้ในเราว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีความเอนดู สแสวงหาประโยชน์เกือกูลอาศัยความอนุเคราะห์จึงทรงแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นทาเหล่าใดที่เราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายในที่นี้ด้วยความรู้ยิ่งคือสติปทานสสัมมาปทานสี่อิทิบาส4อินรีห้าภละห้าพ่ชงเจ็ดอริยมรรมีองค์ดเธอทั้งหมดพึงเป็นผู้สมคีกัน ร่วมใจกันไม่วิวาดกันตั้งใจศึกษาในธรรมเหล่านั้นแต่เมื่อเธอทั้งหลายสมคีกันร่วมใจกันไม่วิวาดกันศึกษาอยู่จะพึงมีภิกษุสองพวกที่มีวาทะต่างกันในอภิธรรมบ้างถ้าเธอทั้งหลายมีความคิดในโพธิปักคิยธรรมทมอันเป็นฝกฝ่ายแห่งธรรมเครื่องตัสรู้เหล่านั้นอย่างนี้ว่า ท่านเหล่านี้มีความขัดแย้งกันโดยอัดและมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีความขัดแย้งกันโดยอัดและมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งกันนี้นั้นว่าเป็นความขัดแย้งกันโดยอัด และเป็นความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาสกันเลยต่อจากนั้นเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันเหล่าอื่นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีความขัดแย้งกันโดยอัดและมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะ ขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งกันนี้นั้นว่าเป็นความขัดแย้งกันโดยอัดและเป็นความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยเธอทั้งหลายพึงจําข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือผิดด้วยความยึดถือผิดครั้นจําได้แล้วพึงกล่าวธรรมวินัยด้วยอาการอย่างนี้ เธอทั้งหลายมีความคิดในโพธิปักคียธรรมเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้มีความขัดแย้งกันโดยอัดลงกันได้โดยพยัญชนะเธอทั้งหลายพึ่งเข้าใจบรรดาภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีความขัดแย้งกันโดยอัดลงกันได้โดยพยัญชนะ ขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งกันและความลงกันได้นี้นั้นว่าเป็นความขัดแย้งกันโดยอัดลงกันได้โดยพยัญชนะท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยต่อจากนั้นเธอทั้งหลายเพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันเหล่าอื่นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้โดยง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายมีความขัดแย้งกันโดย อ, ดยอัดลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งกันและความลงกันไ <ain> ด้นี้นั้นว่าเป็นความขัดแย้งกันโดยอัดลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยเธอทั้งหลายพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือผิดโดยความยึดถือผิดพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือถูกโดยความยึดถือถูก ครั้นจำได้แล้วพึงกล่าวธรรมวินัยด้วยอาการอย่างนี้ถ้าเธอทั้งหลายมีความคิดในโพธิปัจฉิยธรรมเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้ลงกันได้โดยอัดมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายลงกันได้โดยอัดมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งกันนี้นั้นว่าลงกันได้โดยอัดมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะก็เรื่องพยัญชนะนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันในเรื่องเล็กน้อยเลยต่อจากนั้นเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันเหล่าอื่นว่า พิสูรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาพิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายลงกันได้โดยอัดมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความลงกันและความขัดแย้งกันนี้นั้นว่าลงกันโดยอัดมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะก็เรื่องพยัญชนะนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันในเรื่องเล็กน้อยเลย เธอทั้งหลายพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือถูกโดยความยึดถือถูกพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือผิดโดยความยึดถือผิดครั้นจำได้แล้วพึงกล่าวธรรมวินัยด้วยอาการอย่างนี้ เธอทั้งหลายมีความคิดในโพธิปัขียธรรมเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้ลงกันได้โดยอัจและลงกันได้โดยพยัญชนะเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกวา่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายลงกันได้โดยอัจและลงกันได้โดยพยัญชนะ ขอท่านทั้งหลายจงทราบความลงกันนี้นั้นว่าลงกันโดยอัดและลงกันโดยพยันชนะขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาดกันเลยต่อจากนั้นเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันเหล่าอื่นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้โดยง่ายกวา่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายลงกันได้โดยอัด และลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความลงกันนี้นั้นว่าลงกันโดยอัดและลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาดกันเลยเธอทั้งหลายพึงจำข้อที่พิสษุเหล่านั้นยึดถือถูกโดยความยึดถือถูกครั้นจำได้แล้วพึงกล่าวธรรมวินัยด้วยอาการอย่างนี้ ทั้งหลายแต่เมื่อเธอทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาดกันศึกษาอยู่พิษุรูปใดรูปหนึ่งพึงต้องอาบัตล่วงละเมิดบัญญัตเธอทั้งหลายไม่ควรกล่าวหาพิษุรูปนั้นด้วยข้อกล่าวหาในเรื่องนั้นพึงใคร่ครวญบุคคล ก, ก่อนว่าความไม่ลำบากจากมีแก่เราและความไม่ขัดใจจะมีแก่บุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้ไม่โกรธไม่ผูกโกรธ ไม่ดื้อรั้นสละคืนได้ง่ายและเราสามารถจะให้เขาออกจากอากุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้ด้วยอาการอย่างนี้ถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรกล่าวหาอันหนึ่งถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความไม่ลำบากจากมีแก่เราและความขัดใจจกมีแก่บุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธดืด้อรั้น สละคืนได้ง่ายและเราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วดำรงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความขัดใจของบุคคลอื่นนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลนั้นเป็นเรื่องใหญ่กว่าถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรกล่าวหาอันหนึ่งถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลาบากจกมีแก่เรา และความไม่ขัดใจจกมีแค่บุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้ไม่โกรธไม่ผูกโกรธดืด้อรัน้นสลระคืนได้ยากและเราสามารถจะให้เขาออกจากอากุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความลำบากของเรานี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราสามารถจะให้เขาออกจากอากุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้นั้นเป็นเรื่องใหญ่กวา่าถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ ก็ควรกล่าวหาอันหนึ่งถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลาบากจากมีแก่เราด้วยความขัดใจจกมีแก่บุคคลอื่นด้วยเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้มกักโกรธผูกโกรธดืด้อรั้นสละคืนได้ยากและเราสามารถจะให้เขาออกจากอากุศลแล้วให้ดมรงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความลาบากของเราและความขัดใจของบุคคลอื่นนี้เป็นเรื่องเล็กน้อย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 และเราก็ไม่สามารถจะให้เขาออกจากอากุศลแล้วดำรงอยู่ในกุศลได้เธอทั้งหลายก็เยื่อพึงนิ่งนอนใจในบุคคลเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายแต่เมื่อเธอทั้งหลายสมคีกันร่วมใจกันไม่วิวาดกันศึกษาอยู่พึงเกิดการพูดยุแย่กันมีความเห็นแตกแยกกันผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันได้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 ไม่ยินดีต่อกันนั้นจะทรงตำหนิไหมภิกษุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระสมณนะเมื่อทรงทราบเรื่องที่เราทั้งหลายสมัคีกันร่วมใจกันไม่วิวาดกันศึกษาอยู่พึงเกิดการพูดยุแย่กันมีความเห็นแตกแยกกันผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันนั้นจะทรงตำหนิได้ ก็ภิกษุอื่นพึงถามเธอว่าท่านทั้งหลายภิกษุไม่ละธรรมนี้แล้วจะพึงทำนิพพานให้แจ้งได้หรือภิกษุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุไม่ละธรรมนี้แล้วพึงทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้ต่อจากนั้นเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันเหล่าอื่นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่า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 ท่านทั้งหลายพระสมณนะเมื่อทรงทราบเรื่องที่เราทั้งหลายสมัครีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่พึงเกิดการผูยูยุแย่กันมีความเห็นแตกแยกกันผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันนั้นจะทรงตำหนิได้ก็ภิกษุอื่นจะพึงถามถือว่าท่านทั้งหลายภิกษุเม่ละธรรมนี้แล้วจะพึงทำนิพพานให้แจ้งได้หรือ ภิกษุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุไม่ละธรรมนี้แล้วพึงทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่าอื่นพึงถามภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุภิกษุเหล่านี้ของเราทั้งหลายอันท่านได้ออกจากอ ก, กุศลให้ดำรงอยู่ในกุศลแล้วหรือภิกษุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายในเรื่องนี้กระผมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่กระผมกระผมฟังธรรมของพระองค์แล้วได้บอกแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นฟังธรรมนั้นแล้วออกจากอากุศลดำรงอยู่ในกุศลได้แล้วภิกษุเมื่อชี้แจงอย่างนี้ชื่อว่าไม่ยกตนไม่ข่มบุคคลอื่นและชื่อว่า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 สามคามาสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านสามคามขาปเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณหมู่บ้านสามคามแควนสักกะสมัยนั้นแลนิครนนาตบุตรได้ถึงแก่กรรมไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิครนนาตบุตรนั้นนิครนทั้งหลายได้แตกกันเป็นสองฝ่าย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 เรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้วผมจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วผมข่มท่านได้แล้วถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้คำพูดหรือเปลื้องตนให้พ้นผิดเถิดนิครนเหล่านั้นทะเลาะ ก, กันแล้วเห็นจะมีแต่การฆ่ากันอย่างเดียวเท่านั้นที่จะลุกลามไปในหมู่ศิษย์ของนิครนนาตบุตรแม้พวกสาวกของนิครนนาตบุตรผู้เป็นครือขั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 เป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึ่งอาศัยครั้งนั้นพระจุนทะสมนุตเทศจำพรรษาอยู่ในครุงปราวาได้เข้าไปหาท่านพระอา น, นุนถึงหมู่บ้านสามคามกราบแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระอานนุ์ว่าท่านผู้เจริญนิครนหนาตบุตรได้ถึงแก่กรรมไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิครนหนาตาบุตรนั้น นิครนทั้งหลายได้แตกกันเป็นสองฝ่ายและถึงเป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทำลายเสียแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึ่งอาศัยเมื่อพระจุนทะสมนุษเทศกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอนนต์ได้กล่าวว่าคุณจุนทะเรื่องนี้มีเขาพอจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มาเถิดคุณจุนทะเราทั้งสองจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ แล้วกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระจุนทะสมุทเทศรับคําท่านพระอานนท์แล้วครั้งนั้นท่านพระอานนท์และพระจุนทะสมุทเทศเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระอานนท์เรียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระจุนทะสมนุเทศนี้กล่าวอย่างนี้ว่าเนื้อโครนหน้าตบุตรได้ถึงแก่กรรมไม่นานที่ครุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของเนื้อโครนหน้าตบุตรนั้นเนื้อโครนทั้งหลายได้แตกกันเป็นสองฝ่ายต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิมแทงกันอยู่ว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้แต่ผมรู้ทั่วถึงและถึง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 เพื่อไม่เพื่อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนนเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือธรรมทั้งหลายคือสติปทานสสัมมาปทานสอิทิบาส4อินรีห้าพละหโภชชงเจ็อริมัคมีองค์8ที่เราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งเธอเห็นภิกษุของเราแม้สองรูป มีวาทะต่างกันในธรรมเหล่านี้บ้างไหมท่านพระอนนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมทั้งหลายคือสติปทาน 4, สัมสมมปทานสอิธิบาสสอินรีห้าพละหโพชฌงเจอริยมรรคมีองค์8ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งข้าพระองค์ยังไม่เห็นภิกษุแม้สองรูป มีวาทะต่างกันในธรรมเหล่านี้เลยแต่มีบุคคลทั้งหลายผู้อาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงละไปพึงก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ในเพราะอาชีวะอันเคร่งครัดหรือปาติโมกข์อันเคร่งครัดการวิวาทนั้นพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่เครื่อขูนแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มาก เพื่อไม่คื่อคูณเพื่อทุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าค่ะอานนท์การวิวาทที่เกิดเพราะอาชีวะอันเคร่งครัดหรือปฏิโมกข์อันเคร่งครัดนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยความจริงการวิวาทใดเมื่อเกิดในสงฆ์พึงเกิดเพราะมรรคหรือปฏิปทาการวิวาทนั้นพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ครือคูณแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มาก เพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เรือคูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย